ก็เลยประมาทถ้าจะเป็นชาวพุทธจริงก็ต้องไม่ประมาทได้ทั้งทั้งที่สุขสบายหรือว่าทาั้งทั้งที่สุขสบายก็ไม่ประมาทอีกอย่างหนึง่งนอกจากความประมาทก็คือความเป็นคนใจกว้างจนไม่มีหลักเรื่องนี้ขอเล่าตัวอย่างเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเหตุการณ์เชิงเปรียบเทียบเห็นได้ชัดดีเมื่อหลายปีมาแล้วยังอยู่ในกรุงเทพ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 เขาได้เห็นภาพที่เขาไม่สบายใจว่าทำไมเมืองไทยปล่อยอย่างนี้คือที่โรงพยาบาลนั้นนักบวชหรือศาสนาจารย์ของศาสนาคริสต์เอาข้าวของรางวัลเงินทองให้เพื่อชักชวนคนไทยไปนับถือศาสนาคริสต์การที่จะให้คนไปนับถือศาสนาด้วยวิธีการเอาอามิรเหยื่อล่อนี้เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ในประเทศของเขาถือว่าต้องไล่ออกจากประเทศเลย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 เป็นการกระทำที่ก่อผลเสียหายเป็นการทำลายมากกว่าจะสร้างสรรค์ถ้าว่าในแง่ของการบริหารประเทศชาตินี้ต้องถือว่าอาภัยไม่ได้